เรทดสอบของมนุษย์ก็ไม่ต้องยากก็คือเอาสินทำเป็นเรื่องทดสอบเป็นเครื่องวัดผู้ใดแสวงหาสินหาธรรมก็รู้ได้ว่าผู้นั้นเคารพพระพุทธศาสนาแลื้อเคารพตนด้วยเคารพธรรมด้วยเคารพปฏิบัติ ด, ด้วยเป็นคนตาสูงด้วย เป็นคนปัญญาสูงด้วยจนผู้ชอบใคร่ควรด้วยเป็นนักเหตุนักผลในทางาพระพุทธศาสนาด้วยเครื่องวัดเครื่องตัวสิ่งอื่นๆไม่สําคัญเครื่องวัดเครื่องตวงของมนุษย์ก็คือสินธรรมเครื่องนุ่งเครื่องผมภายนอกถ้าผ่อนทอดสบายสังหานีมาทรัพย์หรืออัตะสังหานีมาซั์ก็ดี ก็เป็นของสําคัญส่วนหนึ่งแต่ไม่สําคัญเท่าศีลธรรมจีงทําเป็นของสําคัญเฉพาะผู้ถือพระพุทธศาสนาผู้ตรงเงินข้ามก็ยกว่ไม่เอามากล่าวคําสอนใด ใ, ในวัดตาสงสารไม่เท่าคําสอนของพระพุทธศาสนาหัวจากก็ดีด้วยคําสอนก็ดีด้วย เป็นจริงด้วยไม่มีเท็จด้วยผู้ใดเอาไปปฏิบัติก็ไม่ขาดทุนผู้ปฏิบัติน้อยผสมน้อยผู้ปฏิบัติมากผสมมากไม่ขาดทุนเลยผู้ใดกิบเกลือน้อยก็เค็มน้อยกิบเกลือมากก็เค็มมากหวานก็เหมือนกันพริกก็เหมือนกันไม่นี้จากรสชาติตามธรรมชาติของธรรมะที่นี่คํา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 กระทูกกายกระทูกกายจาใจกระทู้ทั้งสามนี่ถ้าไปทำดีผลของความดีก็มาหาถ้าไปทำชั่วผลของความชั่วก็มาหาไม่ต้องเอ่ยเรียกทางดีและทางชั่วมาหาทันทีทันการทันเวลาเหตุผลใ น, ปนไปในทางดีผลของทางดีก็มาเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พู ด, พดเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจผลผลก็เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยนะเห็นอยู่กับตาทำทั้งหลายแบบนี้จากเหตุแต่เหตุในทางพระพุทธศาสนาจัดโดยย่อมีสองเหตุโลกิยะเหตุโลคุตตะเหตุโลกุตตะเหตุนับจระโสดาบันขึ้นไปจนถึงอนุหัตตมรรม ส่วนอนัตตผลไม่เป็นผลเชื่อมโยงมาหาเหตุเป็นผลขาดตอนส่วนโลกิยะเหตุโลกิยะผลนั้นเป็นส่วนเกี่ยวทับทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากทางวัตถุนิยมก็มีดินน้ำไฟลมพระแ่งแส้สันออกจากรินน้ำไฟลม ส่วนอุรมณคติเกี่ยวกับจิตกับใจที่ทุกข์เข้าไปกับโกโปวดหลงทำคำสอนของบรมศาสดาเป็นทำคำสอนี่บันเทาโกโปวดหลงให้เบาบางและเหนือแห้งหายไปถ้าเอาไปใช้ในทางถูกถ้าเอาไปใช้ในทางผิดก็ทวีคูณมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้ คำสอนแต่ละวัระบาตเป็นโลกุตละทั้งนั้นคำสอนของพระบรมศาสดานับแต่ศีลห้าเป็นต้นไปศีลห้าเป็นโลกีหรือเป็นโลกุตละคำสอนของพระบรมศาสดาศีลห้าเป็นโลกุตละศีลถ้าว่าปฏิบัติไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เอาศาสดาอื่นมาปะพน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 ก็ไม่ถึงโลกุตละปัญญาก็ไม่ถึงโลกุตละศีลอยู่ในตัวสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะพิจนารณาทั้งนั้นถ้าพุทธศาสนาย่นลงมาสั้นถ้าเป็นเอกานิบาทก็ลงมาหาใจ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 ส่งเสริมพยาบาทวิตกความ ผ, ผลของความพยาบาทก็นำมาหาจิตใจในเวลานั้นเมือ่อจิตใจส่งเสริมทิ้งสาวิตกผลของความเบียดเบียนก็มาหาใจในขณะนั้นากาลรีกูให้ผลไม่มีการให้ผลไม่มีเวลาจิตใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา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 ในมหาประธานอนันตน์ในปัจจุบันนเหตุปัจจุบันนผลอตีตเหตุอตีตาผลอนาคตตเหตุอนาคต ต, คตผลใครเป็นผู้สร้างขึ้นพระพญาคิตราชคนเดียวเป็นผู้สร้างขึ้นตาหัวจมูริ่นกายเขาไม่ได้แยงสร้างเพราะเขาอยู่ใต้อำนาจพระพญาคิตราชถ้าพรญาคิตราชฉลาดก็ต้องพาเขาสร้างอันดีเพราะเราเป็นหัวจากเขา เวลาเขาช่วยได้เวลาเขาบอกได้ไปเป็นเมื่อเวลากายและวาจาเขาไม่ยอมทําตามพระญายกิตราชพระญาคิตราชจะไปสั่งเขไม่ได้อีกสั่งให้กระดิษฐ์ก็ไม่ได้สั่งให้ไปก็ไม่เป็นถ้ากายกับวาจาเปรียบเหมือนร ถ, ถเมื่อรถไปไม่ไหวผู้ขับรถจะตีอกทกเสียงให้ไปก็ไปไม่ได้เพราะชารถชุดโทรมมาก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 ชิ้นก็ย่นลงมาหาเอกศีลศีล2องก็ย่นลงมาเสียชีระขันหมวดศีลย่นลงมาหาเอกศีลในปัจจุบันสมาธิขันหมวดสมาธิย่นลงมาหาเอกสมาธิในปัจจ at ุบันปัญญาขันหมวดปัญญาย่นลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันมิมุติญาณะทัศนัขันมิมุติขันหมวดมิมุติหลุดพ้นความเข้าใจผิดเรียกว่ามิมุติ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 พุทธิวิหารชาลาลงธรรมตลอดถึงเครื่องลุงหม่มที่อยู่ที่อาศัยจีวามิทธบาตเชนาสนะของหยาบยาบอย่างนี้่คุณรคพระพุทธธรรมประสงค์ละในทางวัตถุที่นี่ในทางอุดมคติสอนให้ละชั่วประพฤติดีไม่มีประมาณอีกเชื้เลยนั่นคุณรคพระพุทธธรรมประสงค์มีคุณค่ามากหาประมาณไม่ได้เหตุฉะนั้นท่านผู้มีปัญญามากยิงเลยลึกได้มาก ผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกได้น้อยเหมือนคนที่มีเชือกสั้นถึงแด่ใกล้ผู้ที่มีเชือกยาวก็ถึงแน่ไกลผู้ที่สายตายาวก็มองได้ไกลผู้ที่สายตาสั้นก็มองได้ใกล้ผู้มีกําลังก็แบกของหนักได้ผู้ไม่มีกําลังก็แบกของไม่หนักของหนักไม่ได้ทั้นใดก็ดีผู้มีปัญญามากก็ยิ่งเห็นพระคุณของพระบรมศาสดาคุณพบของพระบรมศาสดาอยู่ในที่ใด คุณของพระธรรมคุณของคุณของพระอริยสงฆ์ก็กลมกลืนกันอยู่ในขณะเดียวกันในที่นั้นไม่ได้แยกกันไปทางไหนจะค่าก็ว่าเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาก็เห็นจมูกเหมือนกันเช่นใดก็ดีเมื่อเห็นคุณพระพุทธก็เห็นคุณพระธรรมก็เห็นคุณพระสงฆ์เมื่อเห็นคุณของพระธรรมก็เห็นคุณของพระสงฆ์เห็นคุณของพระพุทธเมื่อเห็นคุณของพระสงฆ์ก็เห็นคุณของพระธรรมและพระพุทธอีกเหมือนกัน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 ทำชั้นต้นในทางมระพุทธศาสนาสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสอนให้ยินดีในสวรรค์สมบัติสอนให้ยินดีในพรหมสมบัติเมือ่อศรัทธาแก่กล้าแล้วพอที่จะมองเห็นมนุษย์สมบัติก็มีโทษเพียงไหนมีคุณเพียงใดมีทั้งคุณและโทษเกียวกันอยู่อยู่หรือหากว่ามีคุณล้นลวนหรือหากว่ามีโทษล้นลวน ใจมีคุณเป็นมหันมีโทษเป็นอ น, นันต์พิกไปในทางดีก็มีคุณพิกไปในทางชั่วเขามีโทษใจเป็นต้นของวัตถุนิยมผู้หลงมาเกิดแก่เก็บตายก็คือใจคือใจงูใจเขาทําคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, าเป็นกองปราบโง่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 สังขารคือกิเลสกองทุกคือกิเลสเพราะทุกมีมาเพราะกิเลสถ้ากิเลสไม่มีทุกก็ไม่มีไม่ได้มาเกิดแก่เก็บตายเข้าสู่พระนิพพานไปซะพระนิพพานคืออะไรคือดับเพลินในวัตตาสงสารเรียกว่าพระนิพพานอุบายใดที่จะดับเพลินได้ก็ต้องพิจารณากองทุกขให้เห็นอยู่พ้ออกรมลมให้ยก่เขาออก ให้เห็นอยู่พร้อมกับขณะจิตที่นึกที่คิดตลอดถึงยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นจินอยู่ให้เห็นอันนี้จังชัดพร้อมกับลมเข้าลมออกยิ่งดีเมื่อเห็นอันนี้จังชัดจะเห็นทุกอยู่ในที่นั้นด้วยจะเห็นอันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอยู่ในที่นั้นด้วยอุบายอันนี้จะตัดศีนลง เป็นโลกุตธลศีลจะตั้งมั่นเป็นโลกุตธลสมาธิจะรอบคอบจะเป็นโลกุตธลปัญญาส่งสูงขึ้นไปเป็นลําดับนับวันจะแก้ความหลงของตนไปเป็นลําดับถ้าพิจารณานเนือเนืองก็แก้ความหลงของตนงเนือเนืองแก้แก้ความเข้าใจผิดของตนงเนือเนืองถ้าไม่สงสัยก็ไม่ขบศร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 อนาคตคืออะไรคือดินน้ำเฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือดินน้ำเฟลมที่กำลังเป็นอยู่ที่สมมุติว่าเราเขาสัตบุคคลไปชมกันเป็นกายเรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสวยอารมณ์ก็ดีความปรุงแต่งแห่งคิดก็ดีความรู้ในทางตาทางหูก็ดีเวทนาสุขทุกอบีขาก็ดี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 จะไม่สงสัยในชาติชาติพบพบอีกด้วยเมื่อชาติชาติพบพบเต็มไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่เจ้าเกษียณเสี ย, สยแล้วตัวนี้ถ้าเราเห็นชัดฉี่ไหนเราจะไปยินดีในชาติในพบความไม่ยินดีในชาติในพบความเกล็ดความลาบความละอาในชาติในพบนั่นก็คือตัวศีล น, นั่นก็คือตัวสมาธินั่นก็คือตัวปัญญาพระวิตาพระองค์ิกตา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 โลกนี่มีสุขหรือไม่พูดในธรรมชั้นสูงทีงนี่สุขของครือขัดมีสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่ใจทรัพย์ บ, บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นนี้เป็นสินของใครสุขเกิดแต่ทำการงานที่ปราศจากโทษสุขของเครือัดสุขของบัญพชิป สุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระรหันเรียกว่าโลภุตระสุขเหตุฉนั้นการแผ่เมตตาให้เป็นสุขในวัตถุนิยมจึงเป็นจึงเป็นของไม่บริบูรณ์เพราะวัตถุนิยมเกิดขึ้นถ้าแปรปรวนจะแตกสลายถ้าจะแผ่เมตตาให้เป็นโลภุตระเมตตา สิ่งที่มีวิญญาณของเสียงทั่วทั้งใตโลกธาตุจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาในทางโลกุตระเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวนเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัยเป็นธาตุที่ไม่เวนเป็นเป็นอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวนไม่มีภัยด้วยสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันเป็นสุขก้าวหน้า ซุปเธอในพระสวสดาบันก็จะก้าวหน้าถึงพระชกคาคามีก็จะก้าวหน้าถึงพระอนาคามีก็จะก้าวหน้าถึงพระอระหันต์ก็เป็นที่สุดทุกโดยชอบสุปเนโรกีเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารพระจิตใจไม่สามารถก้าวหน้าพระหลายบางที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 จะซ้ำคันตัววาเยออหยิ่งจองหองสักเพียงไหนกว่าตามก็ค้ายกับกากับนกยูงเอาขนงอนของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาแทกแทงขนของตนเอาเอาคำสอนของพระบรมศาสด า, ามาเป็นคำสอนของตนตัวหัวหน้าของศาสนาอื่นๆไม่มีพระสสดาบัณฑไม่มีพระตกทาคามี ไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระอาหารหันต์เลยพระบรมศาสตายืนยันแล้วทุกๆพระบรมศาสาไม่ได้ยืนยันแต่พระโกตมะพระกะกุสันโธโกนาขามานกัสโปกโปกตโมอันนีก้กชตรโกตะโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกฏ์ล่วงไปแล้วก็ดีจะมาในครั้งหน้าก็ดีก็ยืนยันในคำสอนของตนโดยไม่มีทิฏฐิมานะยืนยันตามความเป็นจริง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 พระพุทธศาสนามีเหตุมีผลมากลึกซึ้งเต็มทีบุคคลผู้มีวัฒนานามมากยิ่งจะร่วมสในพระพุทธศาสนาผู้ต่ำาต้อยผู้ยังกิเลสหนาปัญญาหยาบฉะนั้นจะเร่วมใสในพระพุทธศาสนาได้ผู้ที่เร่วมใสในพระพุทธศาสนาก็คือผู้นั้นสร้างบารมีมานานแล้วแก่กล้าแล ถ้าเป็นดอกบัวก็เป็นดอกบัวตูมแลว้วและเสมอนาม้าแล้วไม่อยู่ในใต้น้ำเพราะเก็งจะเป็นพักษาแห่งปลาและเต่ า, านีสะสมอบรมมาหลายข้าหลายพบแลว้วจึงได้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวิชาพมโโลกพระบรมศาสด า, ศาพูดเอ่ยต่อาศาสนาอื่นๆในสบายวิชาพมโมโลกข อ, อ, องพระพุทธศาสนาเป็นยากดอกรื่อมใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ ไม่จืดจางก็ได้ถึงพมะโลกมันพูดอย่างนั้นก็บรภณศาสติ์ังลไม่ต้องอดอาหารให้เกินไปจนสูบจนพร้อมดอกไม่ต้องย่างกิเลสเหมือนไอคุบเหมือนพวกไอคุบไม่ต้องนอนขวากนอนหนามดอกเพียงเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงโลกก็ถึงพมะโลก พแทธะทำแทะคือพระโสดาบันเหตะนั้นพระบรมศาสนาจึงยืนยันว่าสุปฏิปันโนยืนยันในพระโสดาบันอุชุปฏิปันโนยืนยันในพระสักสาคามียายยะปฏิปันโนยืนยันในพระอนาคามีสามีคืปฏิปันโนยืนยันในพระอรหันยืนยันว่านี่เน้อสาวกของเราแต่ฐานะจะเป็นเพศไหนก็ไม่สําคัญ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 ผู้ใดเคารพธรรมก็ผู้นั้นเคารพตนเคารพเราถาต ด, ด้วยเคารพพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์ด้วยอันเดียวกันเสรดามันสกทาคามีอนาคามีอรหัน์กรณีพุทธบริษัทสีของเราไม่ปฏิบัติจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติทีนี่ถ้าว่าเรมศาสนาก็ฝากไว้กับพุทธบริษัทสี ภิกษุสามนเณรอุบาสกุบาสิกาแต่ก่อนมีสามนเณรีนางศิกขามานาภิกษุณีเดี๋ยนี่ไม่มีก็ฝากไว้กับภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาถึงจะบวชเป็นขาวเป็นชีสักเพียงไหนก็ต่างเพศผู้หญิงจะว่านางภิกษุณีก็ไม่ได้จะว่านางศิกขามานาก็ไม่ได้จะว่าสามเณรีก็ไม่ได้เพราะท่านยกเลิกกันไปแล้ว เช่นแม่ขาวแมชีก็บอกเพียงเป็นอุบาสิกาเท่านั้นผู้ที่เป็นแพทย์ขาวส่วนโยมก็บอกเพียงมาเป็นอุบาสกเท่านั้นอุบาสกในทางพุทธศาสนาก็นับแต่พระสวสดาบาลขึ้นไปอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็นับแต่พระสวสดาบันขึ้นไปในฝ่ายพิทุสามเณรก็เหมือนกัน จะเป็นภิกษุสามเณรเต็มภูมิเขนับแต่พระสวดาบาลเป็นต้นไปหล้วตอนนั้นก็เป็นสมมุติต่างก่านั้นลงมาพวกนี้มีคติรุดหน้าไปไม่ถอยหลังและไม่สงสัยในหนทางที่ตนเดินด้วยไม่สงสัยในขวัดปฏิบัติของตนด้วยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นของราชสมัย ตนราชสมัยนะไปตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ราชสมัยไปตู่ศาสนาราชสมัยตนราชสมัยไม่ตู่ตนราชสมัยไม่ชวนกระแสดูตนแต่เป็นเฉพาะที่พวกโง่ก็กรรมของเขาพาให้เป็นไปผู้ที่เขาไม่โง่เขาไม่โตออกมาก็ตามเขาเข้าใจดีเขาก็หัวเลาะทีนี้เมื่อประมาทพระพุทธพระธรรมพระสวงฆ์ว่า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 ถ้ากเกษร์กสนแสวงหาปัจจัยสี่ยิ่งกว่าหวังพ้นทุก์ในวัฏจัรสงสารแน่ก่อนนับทีลเปลุกก็ไปไม่รอดคำว่าไปไม่รอดจะหมาขนาดไหนไม่สามารถถึงปัจดาบันไม่สามารถถึงสกทาคามีไม่สามารถถึงอนาคามีไม่สามารถถึงพลัรหันภูมิใดภูมิหนึ่งเรียกว่าไปไม่รอด ม่ถามพระพุทธศาสนาถ้าคนไหนบวชจนถึงวันตายก็เรียกว่าไปรอดนั่นมันก็ไม่ถูกนัหมายถึงการเห็นทมปฏิบัติทำใครเป็นผู้เห็นผู้ใดเห็นก็เป็นผู้นั้นผู้ใดปฏิบัติก็เป็นผู้นั้นพระม่อไว้ให้เจ้าตัวเป็นสีกับเจ้าตัว เผ็ดก็มอบให้เป็นศิษกับเจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินเข็มก็มอบให้เจ้าตัวเป็นผู้ตัดสินไม่ได้บังคับเป็นเพียงแนะนำเท่านั้นพระบรมศาสนาจึงเป็นศาสนาไม่ได้บังคับถ้าเป็นศาสนาที่บังคับและให้สินบนรางวันให้สิ่งสินบนรางวันกับผู้มีกิเลสให้ท่าใดมันก็ไม่พอทึ้งฟืนใส่ไฟมาทําใดมันก็ไม่หมด เมื่อเวลามีของเจ้ามันก็ทําดีเมื่อไม่มีไม่มีไม่มีของเจ้ามันก็ถอยหลังเหตุนั้นศาสนาพุทธศาสนาจึงมอบให้สิทื์แก่ท่านผู้ปฏิบัติสันติที่โกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็เห็นเองอีกด้วย แต่ท่านไม่เอามาพูดเพราะมันจะฟั่นเฟือมากเช่นพวกที่ปล้นถึงเขาจะปฏิเสธว่าไม่เป็นเขาจะเพียงไหนก็าตามเขาก็รู้จักจว่าเขาปล้นอยู่นั่นก็เป็นสันทิปทีโกอย่างหนึง่ง<ม>แต่ท่านไม่เอามาพูดเพราะมันจะฟั่นเฟือเกินไปเอาเพียงพระสวดบิบาลเท่านั้นขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงพระอรหันต์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 ค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นรายเนื้อ ส, สัตว์ที่ตัวข่าพือเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษถ้าเรายังยินดีอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ใกล้จะถึงพระโสดาบันนักเลงหญิงนักเลงสุลานักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีในพระโสดาบันเลยไม่เสียดายอยากจะทําเอีกด้วยไม่ถือว่าเป็นของหนัก ถ้าหากว่าลวงละเมิดเือเป็นของหนักเพราะเห็นชอบแล้วอริยกันตังภาังสีตังเป็นอริยกันตศีลคือศีนห้าสังเคภาษาโดยัสษติเป็นพระสงฆ์ในพระประมัตา์แล้วอุชุภูตันจะดัชนงังเห็นตรงแล้วตรงไปพระนิพพาในไม่ได้ตรงเพื่อจะอยู่ในวัฏฏะสงสาร ให้ทางรักษาศีลภาวนาอันใดก็าตามท่านผู้จิตใจถึงโลกุตระแล้วก็มุ่งเพื่อผลทุกข์ในวัตาสงสารอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติพระพุท ธ, ธ, ทธศาสนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัตาสงสารแล้วปัญหาของมันก็ไม่ยุ่งเหยิงแก้ก็แก้ง่ายมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายด้วยถ้าหากว่าประพฤติพระพุทธศาสนา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 ถ้ า, าว่าเห็นภายในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แล้วการแปฏิบัติพระพุทธศาสนามันกด็ดูไม่เหมือนเกลียวหวานถ้าหากว่ามาเห็นภายในวัดตาสงสารเห็นแต่เพลินอืกูจะแข่งดีในการล่ําการรวยในการลาบการยศถ้าไปแถวนั้นมันก็ไม่ใกล้ภูมิพระโสดาบันภูมิพระโสดาบันจะให้เข้าวเม็ดักผักเส้นหนึ่งก็ต า, าม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 เขาค่ยๆก็ว่าเราเห็นโลกชัดเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์ขณะจิตเดียวก็เห็นรอบรลอโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกข์เกิดเราเห็นทุกแก่ขณะจิตเดียวถ้าเห็นด้วยปัญญาอันชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกแก่เราเห็นทุกเก็บขณะจิตเดียว ก, ก, ก็เห็นรอบโลกแล้วในด้านปัญญา ในในด้านสมัแต่จักสุจักสุคือปัญญาหรือจักสุคือรอบข้อปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาเราเห็นอนนี้จังคณะเดียวก็เห็นรอบโลกแล้วไม่ต้องหอเหอะเหินเดิอนอากาศไปดูสิ่งที่มีวิญญาณใจครองและไม่มีวิญญาณใจใจไม่ครองไม่มีวิญญาณ อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปใชแล้วจะดีเด่นสักเพียงอะไรก็าตามก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วการสงสัยในโลกใดๆก็ยุดหย่อนผ่อนลงห้ามเบร็นี้ถึงบางโอถึงบางนาโอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะหนอปัญหาก็าน้อยลงปัญหาก็าน้อยลงปัญหาก็าน้อยลงไม่ต้องอะไรแก้มาก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 ไม่ให้ติดอยู่สิ่ง ใ, ใดๆทั้งสิ้นธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นปัญญาจะแก้อนุสัย <c oughs> กิเลสที่นอนเนืองอยู่ในคันธสันดานสมาธิความตั้งมั่นแปลว่าลบกบข้าศึกแล้วได้ลุมเพะดีแล้วก็ไม่ออกต่อสู้เข้าไปอยู่ที่ลุมเพะแต่ว่ายังไม่ตันชนะข้าศึก จะติดอยู่ในสมาธิก็ไม่ได้พอสมควรก็ต้องออกรบนี่จะทำจะไม่อยู่ในลุ่มเพลอกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถึงเวลาเข้าก็ต้องเข้าถึงเวลาออกก็ต้องออกต่อสู้เพราะยังไม่ชนะจะต่อสู้หน้าเดียวก็ไม่ถูกพอเข้าลุ่มเพลอกก็ต้องเข้าพอหลบก็ต้องหลบฉันเองก็ดีการปฏิบัติ พระพุทธศาสนากุมันกันก็มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาแต่สมาธิกับปัญญานั้นถ้าจะว่าให้ละเอียดและแยกกันไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญากลมกลืนเป็นมักอันเดียวกันเรียกว่าเอกามักเอกามักในปัจจุบันไปพร้อมกันเลยสัมพยุตกันไปมีกําลัง เมื่อสมาธิทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนๆสมาสังปวาจากรรมันโตอาชีววายามสติสมาธิก็เป็นไปตามกันเพราะหัวจักพาไปจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดกลมกันกันสมาธิตทิฏฐิของพระอรหันต์เห็นชอบในทางที่รุดพ้นแล้ว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 ที่นี่ท่านเพื่ออะจะปาลบอะไรก็จะให้มีสิทธ์ทีนี้จะมาไม่รู้ว่าจะปลาลบอะไรต่ออะไรปลาลบไปปาลบมามันก็มาหาผู้ฟังและผู้เทศฟังก็คือผู้เทศก็เทศร่วงใจผู้ฟังก็เอาใจฟังจบลงก็ฟังใจฟังเทศกับฟังใจก็อันเดียวกันผู้ฟังก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศแต่นักเทศเอกก็มีอยู่ทุกคนแล้ว ความเป็นจริงความแก่ก็ไม่ลงธรร ม, มาธรร ม, มากายความเก็บก็ไม่ลงธรรมะกายความตายจากช้าวสายใบเที่ยงก็ไม่ลงธรรมะกายกิเลสเล่าก็ไม่ลงธรรมะจากจิตเพราะจิตยังไม่รุดพ้นจากกิลเลสถ้าจิตรุดพ้นแล้วก็ขึ้นธรรมะพระนิพพานี้ก็ไม่ลงธรรมะอีกละแต่ไม่เป็นธรรมดอไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย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 เพราะไม่มีการได้เพราะไม่มีการเสียไม่มีการเขียนไม่มีการลบสุกยจางละเอียดและออยากที่พุทธชนคนหนาจะค า, าดคะเนดาวด้นได้ ใครเป็นผู้จะรู้จักพระนิพพานก็คือผู้รู้จักพระนิพพานนั่นเองจะเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รดพ้นก็คือผู้รดพ้นนั่นเองกินจะร่รู้จะรู้แทนกันไม่ได้ใครเป็นพระสวสดาบัลเราอยากเห็นพระสวสดาบาลแล้วก็ต้องเป็นพระสวสดาบาลก่อนเราอยากเห็นพระจักรทาคามีเราก็ต้องเป็นพระจักรทาคามีเสียก่อนเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อน เราอยากเห็นพระรลรหันเราก็ต้องเป็นพระละหันเสียก่อนเราอยากจะรู้ว่าเครือเค็มหรือไม่เค็มเราก็ต้องกิฟดูเสียก่อนผู้อื่นกิฟแทนรถเค็มเป็นยังไงว่าใครผมรู้ซิบอกบอ ก, ก็ไม่ยอมเชื่อเองเหมือนกันแล้วผู้อธิบายก็อธิบายยากเค็มเป็นอย่างนั้นเค็มเป็นอย่างนี้คล้ายๆเต่ากับปลาเหมือนกันเต่าขึ้นน้ำได้ลงน้ำก็เป็น แต่ไม่ติดอยู่ในานา้ําแต่ไม่ติดอยู่ในโค้กไปเล่าเรื่องบกเรื่องน้ําเรื่องโค้กเรื่องที่สว่างพ้นจากน้ําไปให้ปลาฟังปลาเคยอยู่ในานา้ําเหมือนตรงเหมือนโคนที่นั่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหมือนแหนเหมือนจอกที่นั่นไหมเหมือนขอนไม้ที่จมอยู่ในานา้ํา ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชันใดก็ดีเพื่อเราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อเราก็สงสัยถ้าเห็นแล้วก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องหาอีกด้วยฉะนั้นจึงห า, เ พ, าเพราะไม่เห็นจึงหาถ้าเห็นแล้วก็ไม่หา ในชั้นต้นแล้ะลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอมอากายถวายเียไว้ได้จิตใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวันตาสงสารโดยด่ ว, ดวนแล้ะลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาาพุทธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวันตาสงสารโดยด่ ว, ดวนตกลงว่าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตที่ใจของตนเองไม่ได้อยู่ที่อื่น ทำิ่งไว้ที่ใจพุทธโธแปลว่าผู้รู้ธรรมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้รู้สังโฆแปลว่าปฏิบัติผู้รู้ตกลงพุทโธธ ร, รมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจแต่ว่าผู้รู้มีหลายชั้นผู้รู้ในพระสวสดาบันก็สูงไปกว่าพุทุชนคนหนา ผู้รู้ในสักคาคามีก็สูงไปอีกก็รอบครอบไปอีกผู้รู้ในพระอนาคามิก็สูงไปอีกรอบไปอีกผู้สูผู้รู้ในพระอรหันต์คือรู้จบแล้วปฏิบัติจบแล้วพ้นไปแล้วผู้รู้ในทารมพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสี่ตอนต่างกว่านั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะหลายบางที ถ้าถึงพระโสดาบันแนี่จะสิ้นลมปาณในเวลาไหนก็ตามก็ไปสุขติไม่มนุษย์ก็สวรรค์ถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันไม่แน่นอนบางทีก็ไปนรกบางทีก็สัตว์ที่ฉานบางทีก็มนุษย์บางทีก็เปรตตะวิสัยอสุรกายเพราะยังไม่ปิดอบายภูมิแล้วมันปิดประตู ความชั่วของตัวเปิดประตูความชั่วของตัวอยู่พระโสดาบันพิปประตูความชั่วของตนแล้วเดินทางไปทางเดียวความชัว่วหยาบๆพระโสดาบันปิดแล้วข้าสลักทรัพยพฤทธปิดในกลามปิดแล้วเวรมณีเวรมณีเว่เวนส่วนนี้เว่นแล้วเว่นส่วนนี้เว่นแล้วเวรมณีชักขาไปทางสมาธิามิ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 ผู้มาปฏิบัติพระพุทธศาสนาผูม้มาเห็นภัยในวัดตาสงสาราคร่อยๆกับว่าพาเศษรษฐีไปฆ่ามาเกิดในมนุษย์กับเขามายินดีในพระพุทธศาสนากับเขาเขาผู้ยินดีและปฏิบัติพระพุทธศาสนาเขาก็าไปสวรรค์บ้างไปพุทธโลกบ้างไปเป็นพระโวสดาบาลบ้างสักขาคามียบ้างอนาคามียบ้างอหารหันบ้างส่วนตัวลงในนรกเสกัดพาเศษรษฐีไปฆ่า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 โระบมศาสดาจริงแน่นหนักพพโลกเจ้พิรุตาสัญญาท่านทั้งหลายอย่า ย, ยินดีในโลกทางปวงเถิดอานิทะกะสัญญาจงเบื่อหน่ายในโลกทางปวงเสถิดพระสังขารในสุอานิทะกะสัญญาจงเบื่อหน่ายในสังขารทางปวงเสถิดสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน เทวโลกได้แก่ชะกามาพจจระเจ้าหกชั้นภู ม, มิโลกได้แก่รูปประรมสิบหกชั้นกับอรูปประรมสี่ชั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนานนจด้จังเกิดขึ้นแล้วกว็แปรปวนและแตกสลายอยู่เป็นรอบๆเรานั่งอยู่เนี้นี่ไม่ใช่ที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมานั่งแล้วนั่นเองผู้ชก็ไม่เป็นที่ใหม่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 ก็มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่มหาสมุทรกระดูกของพวกท่านทั้งหลายที่มาทิ้งร่างไว้ในแผ่นดินนี้นันนบแต่ชาติหนึ่งหนึ่งเอาไว้ชาติรัฐเท่าหัวแม่มือไม่ให้อันตรธานหายไปก็ใหญ่กว่าแผ่นดินคือภูเขาชีเนโราชนี้เมื่อเป็นดังนี้ท่านทั้งหลายจงละอาเถิด จงเค็ดเถิดจงหลากเถิดด้วยแบบใจเย็นๆด้วยแยบคลายจงคลายเมาเสียเถิดเมื่อท่านทั้งหลายยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวท่านทั้งหลายจงพิจารณาปงธรรมสังเวช ท, ที่ตนได้เคยลงมาเสียเถิดมิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะสําคัญตัวว่าเป็นคนฉลาด ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายสาคัญตัวเป็นคนฉลาดท่านทั้งหลายทําไมถึงมาเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัดตาสงสารอันนี้มันเป็นทุกข์ภิจารณาอานิจจังทําลายอาวิชชาได้เหมือนกันทําลายวัฏจักรได้เหมือนกันทําลายตัณหาความทะเยอทยานได้เหมือนกัน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 พี่เจราอันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่ศักว่าดินน้ำไฟลมเป็นกองทุกเท่านั้นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจริงเรานี่ทำลายอาวิชาตัญหาอุปาทานทั้งนั้นก็ลดหย่อนลง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 ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทื่นความสงสัยทําไมสงสัยอันหนึ่งอันอื่นก็ไม่สงสัยทําไมสงสัยเกิดก็ไม่ต้องสงสัยแก่สายเจ็บสายตายเหมือนกันทําไมสงสัยทุกข์ก็ไม่สงสัยอันนี้จังเหมือนกันก็ไม่สงสัยโลกเหมือนกัน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 สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งชู้ทางหลายจงมาดูโลกนี่เถิดหลุดรถหลุดเกียนหลุดรากชะลด์และหลุดเกวียนที่บุคคลที่โงกเขามกอยู่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้ใดที่เจรนาทุกเนืองๆผู้นั้นจะพ้นจากบวงแห่งมาน เราปลาพิมะมันเกิดขึ้นที่คันธัสดานของเราบ้านเมืองของมานมันก็อยู่อาศัยของไวใจ่บ้านเมืองของสนิมก็ต้องอาศัยอยู่ที่เหล็กเมื่อชำระสนิมออกแล้วเหล็กก็ส ะ, สะอาด